ในการที่เราฟังธรรมนี้ท่านว่าเมื่อเราฟังธรรมะอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลที่เรารับ 3 รับฟังมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟัง บางคนนั้นเค้าพูดว่าพระอาจารย์เทศบาลทั้งนั้นทั้งนี้ๆ บางนั้นสัมบดีพรก็มาราธนานิมนต์ให้พระพุทธเจ้านี่เอ่อแสดงธรรมแต่ นั่นในแคว้นมคตมาแล้วแต่ก่อนนั่นคือของไม่บริสุทธิ์ในที่คิดโดยคนที่อย 5 อย่างอย่างอย ตั้งแต่ตอนต้นคุณทํามายังไงหนูคุณก็มีความคือต้นกลางๆก็คือตอนต้นตอนกลางตอนปลายก็ คอมพิวเตอร์เมมเบอร์สุดมันมาปนกันหมดเพราะว่าสื่อต่างๆบ้างอะไรต่างๆ มันก็มีตะกั่วปนบ้างมีดินมีสะอาดได้มั้ยเอาความร้อนล้อมมันออกมาแยกไปเหล็กไปทางนึงตะกั่วไปทางนึงเอ่อทองคําว่าทํา ของเอ่อที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยไปใส่มันให้มันไม่บริสุทธิ์ว่าคุณฟังธรรมะมันยิ่งสกปรกมากขึ้น เปลี่ยนจะด้วยนั่นคือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่คือความสามารถของคนไม่เท่ากันท่านผู้ฟังนั่นขึ้นหมายๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย นะมันก็จึงมีทั้งอรรถะและพยัญชนะคือบางคนเนี่ยไม่สามารถกําหนดบทพยัญชนะได้เหมือนเป๊ะใช่มั้ยเอาก็กําหนดบท บริษัทสุจโดยเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคือคุยเราฝังบริษัทตรงไหนเนี่ยเราเอาเอาข้อมูลตรงนั้นนะอย่า ให้มันเต็มขึ้นมาให้มีพลที่จะละซะในกิเลสมันมีตรงนี้ขวางทางไว้วาง นะการบอกต่อนั้นอาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้ในธรรมะบริสุทธิ์มีธรรมะไม่บริสุทธิ์ก็มีเราแยกกันไปแล้วในธรรมะไม่บริสุทธิ์ก็คือ การบังต่ต่อธรรมะที่บริสุทธิ์ก็มีการบังต่ต่อธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีเป็นยังไงคือสมมุติ หวังเสียงสรรเสริญเย็นยอและคนที่เอาธรรมะที่บริสุทธิ์นี้มาแสดงธรรมในลักษณะ แต่ต่างตรงกันข้ามแต่ถ้าคนที่แสดงธรรมนั้นมีความคิดว่าอื้อธรรมะนี่เป็นของดีและเป็นของที่ใครปฏิบัติแล้ว 1 คดีที่ 2 ก็ยังมีความคิดว่าๆคุณยิ่งต้องบอก เมื่อเพ็ญชนะคุณอาจจะกําหนดได้ไม่ไม่ 100% แต่ถ้าคุณเห็นอรรถอรรถก็บริสุทธิ์ตรงนั้นการแสดงธรรมคุณก็บริสุทธิ์ตรงนั้นเพราะว่าเราเห็นความที่ การแสดงธรรมที่บริสุทธิ์น่ะเกิดขึ้นกับธรรมะที่บริสุทธิ์ได้ในธรรมะที่บริสุทธิ์ก็มีบริสุทธิ์เลยนะการที่ นะมีการอธิบายในช่วงถัดมานะเป็นอรรถะที่บริสุทธิ์เวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยเราหาความบริสุทธิ์ เอาโดยความที่รู้ว่าที่บริสุทธิ์จากข่าวนั้นด้วยความที่รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็น มองให้ทะลุมองให้แยกแยะเป็นธาตุเป็นองค์ประกอบแล้วก็เลือกเอาเฉพาะธรรมธาตุทั้งนั้นออกมาเลือกเอาเฉพาะธรรมธาตุในที่เราเห็นว่า เนี่ยโชคที่ทําทําวิชอาวิชาเนี่ยให้มันหายไปไม่กลับกําเริบอีกเนี่ยไม่มีกิเลสความเครื่องมัวมองต่างๆไม่กลับกําเริบอีกในจิตปรปักษ์สอนนั้น นะเพราะมรรคคุณจะต้องมีปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงก่อนแล้วคุณถึงจะละสิ่งที่มันมันไม่บริสุทธิ์ได้นะคนที่เค้าอ่าถลุงแร่ทองคํา ไม่บริสุทธิ์จะเก็บไว้หรอโยนทิ้งมันเป็นประตูซะแล้วแต่ของที่บริสุทธิ์ไว้ ในสตินี่ก็ต้องฉลาดนิดนึงเนี่ยถ้าบอกว่าในทวารบื้อๆนี่ก็ให้เข้าหมดไม่ได้เราๆนะ ในเวลาที่เรามีโอกาสที่จะบอกต่อและก็ให้การบอกต่อของๆแล้วอ่ะแม้คนอาบ นะกันบอกต่อของเราให้บริสุทธิ์ด้วยได้ทําครบท่วงกระบวนความอย่างนี้นะเราจะชื่อว่าเป็นสัตว์บุรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บุรุษหมายความว่า ดีมากขึ้นในใจเราก็สูงขึ้นคนรอบข้างรอบตัวเราก็ดีขึ้นในใจเราก็สูงขึ้นคนรอบข้างรอบ